ก็ความในอัปกถาสัมมาทิฏฐิสูตรต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า574กล่าวถึงภัยในอาหารสคืออาหารทั้งสประการนี้ก็มีภัยภัยนี้โดยสับแปล ว, ว่าความน่ากลัวความน่ากลัวทั้งหลายที่เกิดจากอาหารมีอะไรบ้างนะในอาหารสี่อย่างเหล่านี้ที่ให้สำเร็จอาหารกิจ อยู่ด้วยสา ม, มารถแห่งการอุปธรรมเป็นต้นอย่างกับพลิงกราหารนเอุปธรรมให้มีอะไรให้กายเหล่านี้เป็นไปได้กับพลิงกราหานอุปธรรมโรคผัสสะอุปธรรมเวทนามโนสังเจตนาหานก็อุปธรรภพบวิญญาณก็อุปธรรมนามโรคท่านบอกว่าควรเห็นภัยคือความน่ากลัวสี่ประการอย่างนี้คือในกับพลิงกระหานได้แก่ไัยคือความอยากความต้องการ ในภาษาหารได้แก่ไพคือการคล้องแวะคือการยึดติดมโนสัญเจตนาหารได้แก่ไพคือการประมวลมาอายุหนะสังสมวตัวิญญาณอาหารได้แก่ัยคือการตกลงจำเพาะโดยการถือเอากาเนิดทีเดียวถามว่ามันเป็นอย่างไรก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายสร้างไพคือสิ่งน่ากลัวคือความใคร่ในกับพลิงกระหานมุ่งหน้าต่อความหนาวเป็นต้น ทำงานมีการนับด้วยหัวแม่มือเป็นต้นเพื่อต้องการอาหารย่อมเข้าถึงทุก์มิใช่น้อยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะเห็นคนเหน็ดเหนื่อยที่เหนื่อยๆกันที่เราเห็นๆเนี่ยนะทั้งในชนบทก็ตามทั้งในเมืองก็ตามที่เขาเหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะอะไรก็เพราะต้องการอาหารทำงานงกงกงกตั้งกะเช้าจนค่ำทุกสาขาอาชีพที่เขาทาทาก็ทาเพื่อ ทำเพื่ออาหารทั้งนั้นอาจจะเย็นหนาวเหน็บขนาดไหนจะร้อนระอุ ป, ปานใดก็ทําเพื่ออาหารจะเหนื่อยแม้กระทั่งคนที่เล่นกีฬาเป็นต้นนี่นะก็เล่นเพื่ออาหารนะเล่นเพื่อการสแสวงหาอาหารเพราะผู้ที่สแสวงหาอาหารเนี่ยทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความทุกข์ยากอย่างที่เราเห็นแต่ละสาขาอาชีพนั้นจะรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่น้อยนั่นก็ความน่ากลัวที่เกิดมาเพราะกับผลิงกราหาร ความน่ากลัวที่เกิดจากการสแสวงหาอาหารเพราะว่าอาหารจะได้มาเนี่ยไม่ใช่มาได้มาแบบง่ายๆใช่อาหารแต่ละถ้วยแต่ละมือ้อแต่ละชามแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ได้มาโดยง่ายๆเมื่ออาหารมีปริมาณจำกัดอย่างนี้ทุกคนก็แย่งชิงอาหารมีความต้องการอาหารก็เลยเหน็ดเหนื่อยประกอบอาชีพว่าจะได้อาหารมาบางคนก็ทำด้วยสูตรจิเตบ้างบางคนก็ทาด้วย ธูเจริญบ้างนะครับผู้ที่ทำด้วยสุจริตก็แม้เหนื่อยกายเหนื่อยใจเหลือเกินผู้ที่ทำด้วยทูจริตก็เดือดร้อนเพราะทูจริตของตนทีนี้ย้อนกลับมาแม้กระทั่งคนที่บวชเข้ามาก็เหมือนกันลางคนคนบางจาพวกถึงบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาศาสนาที่สอนอาธิศีอาธิจิตอาธิปัญญาก็ยังสแสวงหาอาหารโดยการสแสวงหาที่ไม่สมควรเช่น เวชกรรมเป็นต้นก็คือทําตัวเป็นหมอยาเป็นต้นนั่นนะก็ถูกครหาในปัจจุบันชาตินี้ก็ถูกกําเนิดถูกเขาดา่าถูกเขาว่าแต่ว่าสมัยใหม่มีอํานาจเขาไม่กล้าว่าต่อหน้าโรคอยงเงี้ยแล้วเขไปว่ารับหลังเราอย่างเงี้ยอันนี้ชาตินี้ก็ชื่อเสียก็กระจายทั่วไปหมดเพราะการทําชั่วเพราะอยากสแสวงหาอาหารถึงในสัมปรายภพชาติต่ อ, ต, อต่อไปก็เป็นสมณะเปรต โดยในยะเป็นต้นกล่าวไว้ในลักขณะสั่งยศไว้ว่าสังขาติของเธอเนี่ยถูกไฟไหม้ลุกโชนนนะสีจีวรกับสีจีวรบางอย่างเนี่ยถ้าดูห่างๆก็เหมือนกับเปลวไฟเหมือนนะสีจีวรสมัยใหม่เนี่ยดูเหมือนกับก้อนเพลิงที่กำลังลุกรุ ก, กโรธนั้นถ้าทำชั่วก็ไม่ต้องไปรีบสาบรีบแช่งท่านรอเวลาทำให้ผลท่านก็เดือดร้อนหนักหนาอยู่แล้วให้ระวงนอันได้ข่าวว่าพระชั่วแล้วก็ได้เจริญกรุณาเธอ นนชาตินี้ท่านยังเสียหายเสียชื่อเสียอะไรเป็นต้นขนาดนี้ชาติ ต, ต, ต่อไปท่านจะเดือดร้อนขนาดไหนเนาะขอให้ท่านพ้นทุกข์เถอะอะไรเงรี้ยเจริญกรุณาให้เลยเพราะว่าพบ ต, ต, ต่อไปนี่ท่านจะอยู่ยังไงพั้นความต้องการในกัพลิงกระหานเนี่ยเพิ่งทราบว่ า, วา น, น่ากลัวด้วยประการอย่างนี้พันเพราะอาหารบอกว่าต่อไปในอนาคตพระภิสุเนี่ยทุศีลได้แม้กระทั่งเพราะข้าวทับพีเดียวเหมงอนนจริงก็ทุศีลได้กับทุกเรื่องแม้กระทั่ง พระภิสูจน์ที่บวชเข้ามาเนื่องจากไม่รู้กิจของตนไม่รู้ว่าตัวเองนี่เข้ามาสแสวงหาอริยทรั พ, พย์ไพ่ไปสังสมโภกทรัพย์เนี่ยนะเมื่อมีโภกทรัพย์โพกทรัพย์ก็เดือดร้อนกลายเป็นอย่างที่ในอัตลัทาหลายแห่งก็กล่าวว่าเครือหาบดีหัว โ, โลนเนี่ยนยะก็ฟังแล้วไม่เพาะเลยในภัยที่เกิดจากกัพลิงกระหานต่อไปภัยที่เกิดจากผัสสะหานว่าชนทั้งหลายผู้มีอาาัาธาในผัสสะ นะยินดีในการรับผกระทบเนี่ยนะนะแม้เมื่อเผชิญภัสสะก็จะเบียดเบียนสิ่งของทั้งหลายมีพริยาเป็นต้นของคนอื่นที่เขารักษาคุ้มครองเอาไว้เจ้าของสิ่งของคือสามีของเขาเนี่ยนะจะจับพร้อมด้วยพันดะบางทีก็ฟันให้มันแหลกเป็นสองท่อนบางคนนี่ก็กําลังผิดการเมอยู่นั่นแหละสามีก็ไม่รู้เอาดาบมาจากไหนก็เลยฟันฉับเข้าไปขาดสองท่อนทั้งหญิงทั้งชายเป็นต้น จับประโยชน์ในกองขยะไอ้สิ่งแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่หรือไม่บางทีก็จับส่งพระราชาถ้าสมัยก็บางแห่งนี้การผิดการเม้นี้เขาถือว่าโทษมากอย่างบางประเทศนี้เขาถือว่าร้ายแรงมากเนยนะสังคมนี่ลงโทษอย่างรุนแรงแล้วก็รับสั่งให้พระราชาก็ตรัสรับสั่งให้ทํากรรมกรนานาชนิด นนะ ก, กรรมกรก็คือการลงโทษนั่นเองนะได้รับการลงโทษโดยประการต่างๆที่เกิดจากการผิดกรรมเมอันนี้แค่ชาติปัจจุบันนี้ก็ทุกขนาดนี้เพราะการทำการมเมสุมิจฉาจารเพราะยินดีในผัสสะในโลกนี้ก็เดือดร้อนขนาดนี้วุ่นวายขนาดนี้ถามว่าผลแห่งกรรมเหล่านี้จะให้ผลเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกทาลายไปเขาก็พึงหวังได้รับภัยคือทุคติ ได้รับความน่ากลัวคือโรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายขันกรรมที่มีความยินดีในผัสสะอสสาทะความน่ายินดีในผัสสะเป็นรากฐานเป็นเหตุให้ประสบภัยในปัจจุบันและสัมปรายาพทีเดียวด้วยประการชนนี้อันนี้เพราะเหตุการณ์ข้องแวย้ยติดในผัสสะนั่นแหละเพิ่งทราบ ว, ว่าน่ากลัวตอนแรกก็น่ายินดีแต่ที่สุดแล้วเป็นยังไง ก็น่ากลัวมากกว่าเนี่ยนะอย่างที่ว่ายินดีในภาษะชาตินี้ชาติหน้าก็ไปปีนต้นงิ้วอย่างเงี้ยนะพูดแบบชาตดดกหน่อยใช่ไหมบอกว่าเออเนี่ยมีความสุกรับผกระทบสัมผัสชาตินี้ชาติหน้าก็ไปปีนต้นงิ้วก็แล้วกันหํายาวกี่นิ้ว16องคุลีใช่ไหประมาณ16นิ้วอันดีดเหมือนสปริงเลยแหลนะนีบาดก็ชึบเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็ปีนขึ้นปีนลงอีกาตัวเท่าตั ว, ตวเท่าไหนเท่าควายเนี่ยบินมาจิก มาเจกกับเขียนตีแล้วก็ไม่ใช่ปีเดียวด้วยนะอายุเป็นหมืน่นหม่นปีเป็นหลายๆหมื่นปีเพราะนั้นอาจจะดูสบา ย, ยานะมีความรู้สึกสบายเหมือนเกาแผลคันในตอนต้นแต่ในตอนปลายก็เดือดร้อนหาที่สุดไม่ได้ท่านจึงบอกว่ามันมีภัยเนี่ยนะส่วนภัยในภพทั้งสอันนี้มโนสัญเจตนาหานว่าภัยในภพสที่มีกุศลและอกุศลกรรมนั้นเป็นมูลฐานจะมาทั้งหมดเลย เพราะการประมวลมาซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการประมวลมาในมโนสัญเจตนาหานั่นเองเพิ่งทราบว่าเป็นภัยอย่างแม้กระทั่งอกุศลให้ผลเนี่ยนะให้ผลเป็นทุกข์เราก็เห็นชัดได้ใช่ไหมว่าถ้ า, ากุศลกรรมเหล่านั้นให้ผลทําให้เกิดในอบายทุกขติวินิบาตินรกนั้นจะทุกข์จะเดือดจะร้อนขนาดไหนก็เห็นว่าเหมูเดรฉานเป็นต้นเนี่ยทุกร้อนขนาดไหน นี่ถามมาแล้วกุศลให้ผลเนี่ยมันร้อนตรงไหนน่าจะดีจะตายใช่ไหมใช่ดีจนตายเลยว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยชาติชรามรณะเนี่ยนะทุกของมนุษย์ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะสมมติถ้าเรามองเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยเดินวิ่งมาเลยเนี่ยนะจากเบื้องต้นไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตของเขาเขาจะมีความสุขมากหรือมีความทุกข์มากชีวิตที่เขาเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะ ผ่านไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า10 20 30 40 50 60 70้ปีป10 10 10 10ผ่านไปเนี่ยนะอย่างความสุขของหลายๆท่านเนี่ยมันนั่งคร่ควรวญดูเธอที่ผ่านมาจบจนวันนี้เนี่ยนะสุขมากหรือทุกมากหรือเข้าใจเอาเองว่าเป็นสุขเนี่ยนะทุกมากเศร้าใจมากสบายใจมากหรือว่าอิ่มมากทุกมากเครียดมากก็ดูเอาก็แล้วกันว่ามันสมควรขนาดไหนนี่ผลบุญอย่างดีหน่อยนะเนี่ย ถามว่าถ้าผลบุญเลวกว่านี้จะเป็นยังไงนะถ้าระดับล่างๆกว่านี้ไร้การศึกษาไร้สติไร้ปัญญารูปร่างผิวพรรณไม่ดีพิการเป็นต้นเนี่ยนะจะทุกข์จะเดือดจะร้อนขนาดไหนพรันนี้ผลของขนาดผลของกุศลแล้วกุศลเนี่ยหมดเป็นไหมเป็นเนี่ยนะเขาเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเขาสินานะส้นบุญแล้วพอสิ้นบุญจะไปไหนต่อเนี้สิ้นบุญก็เหลือแตเหลือบาปอย่าง แล้วทุกคนเนี่ยนะขมามีความรู้สึกว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดมาพลีบุญหมดเลยแปลว่าเกิดมาทำลายบุญตัวเองอย่างชนิดที่เรียกว่าแทบไม่เหลือเลยนะไม่รู้เป็นศัตรูตัวเองมาแต่ปางไหนไม่รู้เกิดมาความดีอะไรทําลายหมดเกลี้ยงเลยนะสร้างแต่ความชั่วให้เกิดตัวเองสร้างแต่บาปให้แก่ตัวเองนึกถึงที่ไหนใจก็เศร้ามองนึกถึงที่ไหนก็สร้างแต่บาปสร้างแต่อกุศล นึกไม่ใจเขาไม่สงสารตัวเองหรือยังไงนาะมีแต่สาบแช่งตัวเองเพราะยในเจตนาที่เขาทํากรรมเหล่านี้คือการสาบแช่งตัวเองอย่าคิดว่าอย่างการสาบแช่งเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าใครจะได้รับที่ไหนหรอกกัตัวเรานี่แหละจะได้รับถ้าเราให้พรตัวเองล่ะนั้นการทําชั่วก็คือการสาบแช่งตัวเองการทําดีก็คือการให้พรตัวเองในอนาคตนั่นแหละแต่ก็ยังว่านะถึงจะสาบแช่งถึงจะให้พร มันก็ทั้งให้พรและสาบแช่งจะเป็นยังไงไปข้างหน้าเนี่ยนะมีทั้งคนต้อนรับเชื้อเชิญมีแต่คนที่คอยดักประหารเนี่ยนะแมนะ้ชีวิตผ่านคนที่เขาเชื้อเชิญก็ไปถูกคนประหารผ่านจับประหารก็ได้รับการเชื้อเชิญรับแบบดีบัง่งไม่ดีบั่งนะประหารแบบโหดร้ายทารุณบ้างเขี่ยนอย่างเบาบ้างเป็นต้นก็ชีวิตในวัด ต, ตะก็เป็นอย่างนี้นะฮะงนั้นกรรมที่นําเกิดในวัดตากนั้นจึงน่ากลัวเนี่ยนะภูศลกรรมทั้งหลายให้ผลเกิดในวัด ต, ตะกก็น่ากลัว ขนาดเราๆทั้งหลายผลบุญนำเกิดก็ยังประกอบไปด้วยชาตชาิชราและมรณะเนี่ยนะยังแสวงหาอาหารเป็นต้นเนี่ยเมื่อมีชีวิตเกิดมาแล้วก็ยังต้องแสวงหาอาหารแสวงหาผัสสะแสวงหาการทำกรรมอีกนั่นแหละทำทั้งกายกรรมบอกทำอะไรก็ถามว่าอาชีพทำอะไรทาอะไรเนี่ยิงคำถามฟังดูแล้วนี่มันก็น่าคิดมั้งบอกทำอะไรมันก็แปลว่าทากรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม แล้วกรรมเหล่านั้นทําด้วยสุดจิตกรรมหรือทุตจิตกรรมเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะก็อากุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเป็นเครื่องวัดไม่ใช่น้อยเลยคนวันแต่ละวันนี่เปิดประตูนรกไว้วันละบานสองบานเป็นต้นนีนะก็ไล่ดูว่ากรรมบทมี10ข้อถ้าเปิดประตูนรกไว้วันละ10บานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวันละสองบาน3บานสะสมไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเปิดประตูอบายไว้50ปีเนี่ยไปไหนดีเนี่ยนะโอ้โหแสดงว่ามันพลุนไปหมดเลยเดินตรงไหนก็พลุบลงไปเลยนะ พร้อมที่จะตกไปได้หมดแล้วเปิดประตูสุขติไหนจากัดเหรือเกินเนี่ยนะเปิดประตูสุขติ น, นี้นจํากัดให้ตัวเองหลือเกินหรอแค่นั้นก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วน่ยนะแสดงว่าแยกแยะปูนบาปไม่เป็นพอแยกแยะไม่เป็นอย่างนี้ก็สร้างแต่กรรมเพื่อให้ไปเดือดร้อนต่อไปในอนาคตพูดถึงบางสูตรนพระองค์ช้อนฝุ่นขึ้นมาเนี่ยเอาเล็บเนี่ยช้อนฝุน่นเล็บพระพุทธเจ้ากว่ายาวที่ไหน ช้อนฝนขึ้นมาบอกว่าฝุ่นในเล็บของพระองค์กับแผ่นดินใหญ่อันไหนจะมากกว่ากาันพระพิสูจก็บอกโอ้ยเล็บในฝุนเอ่อฝนในเล็บพระองค์นี่นิดเดียวแต่แผ่นดินใหญ่นี่ยิ่งใหญ่จริง ๆ, งๆเปรียบกันไม่ได้เลยนะเอาโลกทั้งโลกนี่มาหารเท่าไหร่จึงจะเท่าฝุ่นในเล็บหารเท่าไหร่จึงจะได้เท่ากับฝุ่นในเล็บมันยากชั้นใดความเป็นมนุษย์ที่คนพาลเนี่ยนะจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกมันยากชั้นนั้นหรือว่ายากที่จะได้กลับมาเกิดเป็น มนุษย์เนี่ยนะมั น, น ต, ต่อไปโดยมากก็อบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อกี้ก็เลยกล่าวบอกว่ามาเพลีบุญเนี่ยนะที่พอมีบุญมาบ้างก็รีบโกงเอาบุญในอนาคตตัวเองมาใช้ที่สุดเท่าที่จะทําได้พอหมดบุญแล้วจะไปไหนโน่เนี่ยนะขอให้กรุณาตัวเองรู้จักสงสารตัวเองบ้างเถอะเนี่ยนะเพราะตัวเองเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วหรือเก่งมากเออทนได้ จะพิการขนาดไหนพิการหัวไปข้างหนึ่งก็ทนได้งนั้นนะก็ตามใจกันแล้วกันมันก็เคยเห็นภาพสุนัขแบบตาถลนออกมานอกเบ้าเป็นต้นไหมมันพร้อมที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างจริงๆพร้อมที่จะบิดพร้อมที่จะเบี้ยวถ้าเคยเห็นเขามาเห็นเ น, นี่ยอย่างผ้าอีสานเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งจะมีปลาปลาที่มันแบบมันเขาใส่ปุ๋ยเคมีในท้องนาเยอะมากพอใส่ปุ๋ยเคมีมากๆแล้วปลามจะหัวเน่าหัวเน่าครึ่งหนึ่งเลยนะ หัวเน่าครึ่งหนึ่งแล้วยังไปได้ตานี่ถลนออกมาแล้วก็ยังไปได้หัตัวนี้ขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังก็รั ก, ก, กไปได้อะอยู่ย่งไรอ่ะมีชีวิตไม่ตายไม่ให้ตายหรอกคนก็ไม่กินด้วยใช่ไหมมันกลัวโรคคนก็ไม่กินด้วยมันก็อยู่แบบทรมานอยู่ในน้ำทีนี้ถ้าน้ํามันร้อนจัดจัดจะเป็นยังไงอ่ะน้ํามันร้อนจัดจัดเลยนะตัวก็แผลเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ไม่ให้ตายนะมันให้เกือบตายเฉย ก็ทรมานทีนี้ตายด้วยความเจ็บปวดไปไหนดีอ่ะเพราะมันก็อดอยากหิวโหยใช่ไหมคุณภาพมันไม่ดีสุขภาพมันไม่ดีมันตะเกียบตะกายเพื่อจะหากินแต่ละมือเนี่ยนะมันต้องคอยดักเหยอกินอะไรกินเนี่ยนะนี่เพราะผลของกรรมมันให้ผลมันก็เป็นอย่างนั้นแหลนะมันจะได้มาเป็นปลางเงินปลาทองนะให้เขาเลี้ยงดูก็ยากทำไมก็เป็นปลางเงินปลาทองอีกกอกขึ้นชื่อว่าปลาก็อับายนั่นแหละ เขาบอกว่าไปเที่ยวสวนสัตว์ไหมบอกไปดูรอกอบาลภูมิเหมือนกันไปวัดสวดมนต์ดีกว่าเหันเห็นพระพุทธเจ้ายังจะไปสุขคติได้บ้างอ่ะนะไปเห็นอบายไปเพลิดเพลินนู้นนกตัวนั้นก็สวยเป็นต้นไปไหนดีเนาะผีเสื้อก็สวยเกิดเป็นผีเสื้อแค่นั้นแหละนีนะผีเสื้ออยาคิดว่ามันน้อยนะโยมผีเสื้อคืออะไรก็คือตัวบุ้งอ่ะภาคเหนือบางบางช่วงโยงมก็เล่าว่า มันเต็มไปหมดเลยนะตัวบุ้งที่ผ่านมามันก็ยังมีตัวบุ้งไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยเลยนะตัวเป็นตัวบุ้งก็คือหนอนที่มันมีขนหนอนมีขนแล้วก็มันแหมโดนตรงไหนมันก็คันตรงนั้นแหละเยอะมากต้นหนึ่งเป็นพันพันตัวอย่างเงี้ยต้นมะม่วงต้นหนึ่งเป็นพันพันตัวแล้วอาณาบริเวณป่าเป็นแสนไร่อ่ะถามว่าจะมีบุ้งมีตัวหนอนทั้งหมดกี่ตัวบางแห่งเนี่ยพระพิสุเคยไปอยู่วางรูปเนี่ยแบบอะไรนะมันตกลงมาเนี่ยนะ มันคันหมดทั้งตัวเลยอ่ะจะต้องไปเอาไอ้พวกอะไรเนี่ยแทบจะอาบตัวเลยอ่ะมันคันสุดๆเลยเนี่ะนั้นอบายภูมินั้นจึงเยอะมากๆเลยทีนี้พื้นดินเนี่ยนะตะกุยตะกุยดูเถอะสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระพิษุ ข, ขุดดินเนี่ยเพราะว่าขุดไปเมื่อไหร่ก็ยังดินที่ไหนสวยๆเนะียตรงนั้นอนะ่ะไส้เดือนนะั้นมันทําให้สวยมันทําให้ดูดินดูดีดินสวยดินงามก็ไส้เดือนทั้งนั้นอบายภูมิทั้งนั้นเนี่ยนะ ลงไปในน้ําก็สัตว์น้ํานี่เต็มไปหมดเลยนี่แบบเดราชานทั้งหลายแล้วพบอื่นๆ อ, อีกล่ะคติอื่นๆ อ, อีกล่ะไปไหนก็ไปจากกรรมนั่นแหละกรรมนี่แหละพาไปพันที่ใดที่สัตว์ทั้งหลายไม่ทําทุตเจริญกรรมนี่มีไหมหายากหายากเต็มทีเนี่ยนะว่าถ้าเราเอากรร ม, มาบทสิบมาตั้งมาจับเนี่ยนะน้อยนักที่สัตว์จะไม่ล่วงกรรมบททุกแห่งเนี่ยเป็นที่ล่วงอกุศลกรรมมาบทได้ทั้งหมดเลย เมื่อทุกแห่งเป็นที่ล่วงอกุศลกรรมบดบังทุกแห่งสัตว์จังสวยทุกได้หมดเลยพร้อมที่อกุศลกรรมจะให้ผลแต่อกุศลกรรมจะให้ผลเริ่มตอนไหนเริ่มตอนปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณนี้ก็จะรับเอาอะไรรับเอาปฏิสนธินามรูปนั่นแหละเกิดขึ้นในที่เป็นที่ถือกําเนิดเนี่ยนะบอบกว่าความทุกเริ่มมีขึ้นตั้งแต่อย่างลงสู่คันแห่งมารดา นะพ อ, อยังลงสู่คันแห่งมารดาก็เกิดความทุกข์เมื่อปฏิสนธิวิญญาณนั้นเกิดขึ้นแล้วภัยทุกอย่างก็เป็นอันเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะภัยสารพัดชนิดความน่ากลัวทุกอย่างมีปฏิสนธิที่เป็นมูลรากถ้าปฏิสนธิในนรกอย่างเดียวเนี่ยนะทุกสารพัดชนิดในนรกตามมาหมดเลยปฏิสนธิในหมู่เปรตทั้งหลายเนี่ยนะความทุกข์ของเปรตก็ประดังเข้ามาแล้วในชะ่ไหมถ้าปฏิสนธิที่เป็นลูกของหมาขี้เรือนอีกครั้งนึ่งนะ แม่ก็กินขี้เรื้อนในหะ้ตัวเองก็มาเกิดในถือคันของสุนัขขี้เรื้อนเนี่ยนะคลอดออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ขี้เรื้อนเลยใช่ไหมสวยยากเนีนะนะเป็นขี้เรือนตามอีกตามเผาพันไปนั่นแล้วไปยังไงทีเนี้ยนะเพราะนับตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างปฏิสนธิที่เป็นปลาอย่างเงี้ยนะไปอยู่ยังไงแล้วถามว่ามาปฏิสนธิที่เป็นมนุษย์พ่อแม่ที่เดือดร้อนยากจนอ่ะเกิดมาแม่เป็นเอจอย่างเงี้ย แม่ก็เป็นเอจอยู่ในคันนี่หรือไม่ก็แม่มันเป็นเอจแต่แหมทํางานอาบเหงื่อต่างน้ําเหงื่อท่วมทั้งวันนะต่างวันทํางานเหงื่อท่วมกลางคืนก็เมาแ อ, อางนเจะเป็นยังไงเชื่อไหมเป็นอย่างงี้ยนคนอย่างเงี้ยลูกมากนะลูกเยอะมากอันถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกต่างๆก็ประดังเข้ามาอันอันนี้เรียกว่าภัยที่เกิดจากปฏิสนธิจิตแล้วที่ไหนบ้างที่เราถือปฏิสนธิไม่ได้เออ ตรงไหนบ้างที่วิญญาณของเรานะเพราะตรงไหนก็ไม่งอกแน่นอนนะแน่ใจไหมว่ามหโสดาปฏิมาคมาตัดหมดแล้วเนี่ยนะปฏิสนธิตรงนั้นฉันไม่งอกออกไม่เกิดหรอกเป็นต้นนะบอกไม่เกิดเจิงโดยคำพูดแต่โดยจิตใจเนี่ยมันพาเกิดนะนะอะไรนะเราผู้ร้ายปากแข็งก็ดีนะไม่ไม่ไม่ไม่แต่นั่นแหละใช่เลยคือคือบอกว่าบอกว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ตอนไหนตอนฟังธรรมใช่เชื่อ แต่พอเลิกฟังธรรมไปใจมันก็โคจรไปแต่กับเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยนะในจํานวนอาหารสี่อย่างเหล่านี้ที่เป็นภัยอย่างนี้เพื่อจะครอบงําความใคร่ในกับพลิงกราหารเพื่อกําจัดตันหาในกับพระลิงกราหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเทียบด้วยเนื้อบุตรโดยในเป็นต้นว่าพิสูจนทั้งหลายผัวเมียทั้งสองคนเป็นต้นแม้ฉันใดเนี่ยนะเดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้า เพื่อจะให้ครอบงาความใคร่ตันหาในผัสสะหารโปรงก็เปรียบเทียบด้วยแม่โคที่ถูกถลกหนังหรือแม่โคหนังปอกที่พระองค์ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายแม่โคที่เขาถลกหนังแล้วเป็นต้นแม่ฉันใดเสร็จแล้วก็ต่อไปเปรียบเทียบมโนสัญเจตนาหารเพื่อให้ครอบงาตันหาในมโนสัญเจตนาหารโปรงก็แสดงการเปรียบเทียบด้วยหลุมฐานเพลิงโดยในเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลาย หล่มฐานเพลิงที่ลึกชั่วบุรุษเนี่ยนะหล่มลึกสามเมตรยังไงนนะมีแต่ฐานเพลิงไอ้ฐานเพลิงจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามันแน่นแบบแบบนี้นะตกแล้วพลุบมุดลงไปเลยนะมันมันถ้ามันแน่นจริงๆไฟไม่ติดแต่เนื่องจากมันอยู่แบบเนี้ยนะพอเหยียบลงไปพลุบเนี่ยจมลงไปเลยมันเหมือนกระสูบลงไปเลย เพื่อให้ครอบงำความใคร่คือกําจัดตันหาในวิญญาณอาหารพระองค์ก็เปรียบเทียบด้วยการแทงด้วยหอก300เล่มโดยในเป็นต้นว่าโจรผู้ประพฤติผิดในพระราชาที่ทําชั่วช้าเป็นต้นฉันใดอันนี้มาฟังเนื้อความโดยสังเขตวา่าอ่านะเปรียบเทียบด้วยการกินเนื้อบุตรก่อนสองผัวเมียพากันอุ้มบุตรเดินทางกันนานร้อยโยต์โดยสเสบียงเล็กน้อยร้อโยต์ก็ประมาณพันหกรกิโลเมตรเนี่ย พั0หกิโมก็นู่นอ่ะกรุงเทพพักใต้นะนะั่นแหละกันดารกันดารด้วยอะไรกันดารด้วยข้าวกันดารด้วยน้ําแห้งแรงเต็มไปด้วยภัยทั้งหลายมีราชมีโจรเป็นต้นเนี่ยนะสัตว์ ร, ร้ายก็เยอะอะมนุษย์ก็มากถือเอาสเสบียงไปได้เล็กเนาะถือสเสบียงไปด้วยเล็กน้อยเนี่ยนะก็ก็คนที่มันเหน็ดเหนื่อยเต็มทีเนี่ยในะสมัยที่เดินทางแบบหอบทั้งหาพรุงพลังไปเนี่ยแบ่งค่าเสื้อผ้าไปสัก2อกิโลแบ่งเรื่องนั้น แบ่งอาหารไปบ้างแบ่งโน่นแบ่ง น, น, งนี่แบ่งไปแล้วสรุปนะนสคนจะหาไปได้สักกี่กิโลเชียวนะอุ้มลูกด้วยเนี่ยนะเขหาพรุงพรังไปล้เดินทางไปห้เอ่อห้าสิบโยดเดินทางได้ประมาณแ800รอกิโลหมดหมดสเสบียงทไว้ก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไปก็ไม่ได้หมดอาหารและน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเขาทั้งสองก็กระสับ ก, กระส่ายเพราะความหิวหิวข้าวกระหายน้ํา พากันนั่งใต้ร่มเงาโปร่งของต้นไม้ไปนั่งโคนต้นไม้ก็ไม่ใช่ต้นไม้เย็นสบายเงาทึบที่ไหนไม่ใช่หรอกต้นไม้ที่ใบหลอเต็มทีแล้วนะเหลือใบไม่กี่ใบเนี่ยเหมือนต้นมะกอกผลัดใบอย่างนั้นนะฝ่ายชายก็ได้พูดกับภรรยาว่าน้องระยะทางโดยรอบจากนี้ไปห้าสิบกิโลห้าสิบโยต์ไม่มีโมบ้านหรือนิคมเลยแปลว่าไม่มีหมู่บ้านไม่มี ตลาดไม่มีอำเภอไม่มีตำบลอะไรหรอกเพราะฉะนั้นบัดนี้พี่ไม่สามารถจะทำการงานตั้งมากมายที่ผู้ชายจะพึงทำได้นะไม่ว่าจะเป็นการทำนาการเลี้ยงโคเป็นต้นมาเถิดน้องจงฆ่าพี่แล้วก็กินเนื้อสักครึ่งหนึ่งนะเอาให้อิ่มเลยนะมือ้อแรกหลงังกินให้อิ่มเลยอีกครึ่งหนึ่งก็เอาสเสบียงเดินทางธุรกันดารไปพร้อมกับลูกเธอเธอและลูกก็จะได้มีชีวิตต่อไปได้ฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่า พี่บัดนี้น้องไม่สามารถจะทำงานที่ผู้หญิงจะต้องทำมีการปั่นได้เป็นต้นตั้งมากมายได้มาเถอะพี่จงข้าน้องแล้วกินเนื้อเสียครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ถือเอาเป็นสบีย่างข้ามทางกันนานไปกับลูกเลยนะไปเลี้ยงลูกให้ดีนะฝากส่งเสียกันยนะเพ่อลีชีพผลีชิตสละเพื่ออะไรนะสละเพื่อสามีสละเพื่อภริยาแต่ว่ารวมๆก็เพื่อลูกฝ่ายชายก็บอกกับพระยาอกว่าน้อง เพราะแม่บ้านตายความตายจักปรากฏแก่เราทั้งสองพ่อลูกเพราะเด็กน้อยเวน้นมารดาเสียแล้วก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเธอตายแล้วลูกจะดื่มนมจากที่ไหนลูกก็อยู่ไม่ได้หรอกลูกก็ตายตามไปด้วยเพราะนั้นเท่ากับตายสองคนเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเราสองคนยังมีชีวิตอยู่นะเราจะได้ลูกอีกเอาเถออย่างนี้เราฆ่าลูกกินกันละกัน ถ้าเรากินเนื้อลูกนะเราจะข้ามทางกันดานได้ฝ่ายผู้หญิงก็บอกกับฝ่ายแม่ก็บอกกับลูกว่าลูกไปหาพ่อเถอะนะลูกก็ไปหาพ่อเด็กๆพอเดินได้แล้วนะแต่มันก็เปลี่ยน MT บ้างกันพ่อก็เลยพูดกับลูกว่าตัวเองนี่ได้เสวยทุกมาไม่น้อยเพราะการทํานาเลี้ยงโคด้วยหวังว่าได้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาจะเลี้ยงลูกพี่ไม่อาจจะฆ่าลูกได้เธอแน่แหละจงฆ่าลูกของเธอ แล้วก็บอกลูกเอยไปหาแม่ของเจ้าเถิดลูกก็เดินไปหาแม่ันเดินไปยังไงนะแทบจะคลานไปอยู่แล้วนะฝ่ายแม่ก็ฝ่ายแม่ของลูกก็บอกกับพี่ฉันเนี่ยนะเมื่ออยากได้ลูกสเสวยทุกทรมานไม่ใช่น้อยทุกอะไรบ้างนะอ้อนวอนก็บอกว่าทําตัวเรียนแบบโคทําตัวเรียนแบบสุนัขอ้อนวอนแต่เทวดาเป็นต้นจึงได้ลูกกลับมาก่อนกว่าจะอ้อนวอนขอลูกได้ ทีนี้พอมีลูกลูกที่อยู่ในคันเนี่ยฉันจะต้องทุกข์ขนาดไหนในการประคับประคองคันกว่าจะคลอดลูกเลี้ยงดูมาจนบัดนี้เนี่ยนะเพราะฉันไม่สามารถไม่อาจจะฆ่าลูกได้แล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยเจ้าไปหาพ่อเธอลูกลนั้นก็เดินไปมาระหว่างสองพ่อแม่ก็เลยเป็นลมตายนิงเวียนศีรษะตายเลยตรงนั้นนะไม่ต้องใครฆ่านะ สองผัวเมียนั้นเห็นลูกเข้าก็พากันร้องให้คร่ำครวญเอาเนื้อลูกมากินแล้วก็หลีกไปตามระยะที่กล่าวก็พอจะได้ข้ามเดินข้ามทางกันด a นไปได้เขาทั้งสองนั้นไม่ได้เอาเนื้อบุตรกินเป็นอาหารเพื่อเล่นเลยกินเพื่อจะได้เล่นให้มันสนุกเลยนะไม่ได้กินเพื่อความเมามายเลยไม่ได้กินเพื่อประดับประดาตกแต่งไม่ได แต่เหตุผลเพื่อต้องการข้ามให้พ้นทางกันดารอย่างเดียวเท่านั้นเองเพราะเนื้อของเด็กนั้นปฏิกูลด้วยเหตุก้าประการปฏิกูล9้าอย่างเนี่ยนะสกปรกก้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งเป็นเนื้อที่เกิดจากตนน่ะหมายความว่าเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดของตัวเองอ่ะนะก็เท่ากับกินเนื้อกินเลือดตัวเองนัง่นแหละ2เป็นเนื้อของญาติเนี่ยนะสเป็นเนื้อของลูกของตัวเนี่ยรู้แก่ใจอยู่แล้วว่าลูก แล้วก็เป็นเนื้อลูกของลูกรักด้วยเน <plate. Sammy> ี่ยนะเกิมีลูกคนเดียวที่รักเท่ากับชีวิตจิตใจเนี่ยแล้วก็เป็นเนื้อของเด็กอ่อนเนื้อเด็กอ่อนๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นเนื้อดิบด้วยไม่ได้ปิ้งไม่มีไฟมีฟืนอะไรพอมัทางกันดังขนาดนั้นและก็เป็นเนื้อที่ปกติแล้วคนเขาไม่กินกันคนเขาไม่กินเนื้อคนกันอย่างนี้หรอกแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ไม่ได้ทาเกลือแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมเนื้อที่ไม่ได้ทาเกลือนี่ และสุดท้ายไม่ได้ย่างไม่ได้ปิ้งไม่ได้ทําให้สุกอะไรเลยเนื้อดิบๆนี่แหละเคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะถามว่าจะเคี้ยวด้วยความแหมกินแล้วจะได้เล่นพลั้นเนี่ยนะมีความสุขมากเมาไม่หืงอร่อยนี้แบ่งกันนัน่นี้เนื้อล่ํำๆนี้ของเธอนี่ของฉันทะเลาะ ก, กันกินกันอยู่อยังไงอ่นนะมีไหมไม่หรอกฉันใดภิกษูเห็นกับผลิงกระหานเสมือนเนื้อลูกอย่างนี้เธอจะครอบงาำคลายความใคร่กับผลิงกรหานเหล่านั้นได้ มันก็จริงอ่ะนะในสังสารวัตรสัตว์อย่างเช่นอาหารบนโต๊ะถ้าเป็นแบบพวกเป็นอาหารที่เป็นอาหารเนื้อกุ้งปลาไปต้นมีสัตว์ไหนบ้างที่ไม่เคยเป็นเผ่าพันธุ์ไม่เคยเป็นเครือญาติไม่เคยเป็นลูกกันมาก่อนเราก็เท่ากับกินเนื้อลูกอยู่ทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อไปเนะด้วยความอร่อยอร่อยด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยก็เปลี่ยนกันกินไปอ่ะนะตายนะถ้าไปเกิดไปอาบายสัมผัชาติหน้าไปเกิดเป็นเป็ดยังไงเขาก็เอาไปเป็ดเนื้อเป็ดเขาเนี่ยไปไปต้มไปติ้ง ไปย่างไปอะไรก็ว่ากันไปก็เปลี่ยนเปี่ยนกันกินอยู่อย่างนี้แหละสังสารวัตทันอาหารทั้งหลายมันก็สลับคล้เคล้ากันไปถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีกองทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะโอ้ยฟังตอนนี้นะหัวน้ากลัวมากเลยนะเชีเ่ยเดี๋ยวเวลาเย็ยนสั่งอาหารมาเนี่ยนะนะคิดอีกอย่างหนึ่งเลยนะลืมหมดเลย